ปฏิบัติแล้วต้องให้ได้อย่างนี้เราไม่ได้หรืคือถ้าเราศึกษาเข้าถึงจิตถึงใจถึงใจใจ ร, ริงใจดวงปุถุเทศ่ใจเป็นรู้ที่เป็นกลางที่ถอดถอนตัวเองออกมันจะไม่เป็นตัวเป็นตนเลยต่ อ, อ ห, หอน้าก็ปฏิบัติเมือนก็ตามรู้อันตัวี้ย ว่าใช้ตัรู้กับตัวที่ทา้นปนาหือเื่อกิดอารณ์อะไรขึ้มาก็ยงรกเป็นอารมร่วมอะไรองรางกายแวมางกายเมื่อว่าิว่ารู้ตรงนี้แล้วมก็แยกกจะมาพวนาาพอมันแยก อ, ออกไปเสร็จแล้วงงงงตั้งหลายปีเนี่ยและจะดูตัวไหนหลังตือ <c oughs> นือไม่ได้เอาตัวไหนแต่ตั ว, ตว คือสองตัวก็ตัวที่ต้องจริงทั้งคู่จะจิตหรือจะอารมณ์เราไม่ได้เอาไว้เพื่อแต่ยึดถือคุณเฉลิมพงดูตัวจิตตัวนี้ไม่เป็นเราหรืออปล่าผ ม, ม, มความ่าเราจะไลอับ ม, ม, มันรู้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เป็นปตัวอิสระันเรา่นะที่จางตวในมันั น, น, น, ใ, น, น, นใช่ใช่มนันก็เป็นการเรื่องทามน แบบตรงขางคนรูกว่าตัว้องไมต้องไปเอาภาระอะไราามาเขาขอนลงไปแค่คอยตามรูปไปด้วยต่อไปมันก็จะจะปล่อยปล่อยตัวนี้อีกก็ปล่อยไปเรื่อยๆตัวนี้มันมันปล่อยออกละจิตมันคลายสิ่งแสบปลอมจริงไปล ะ, ละก็ถอดข อ, อนตัวเองขึ้นมานี่ตัวนี้ก็ยังเป็นภาระต้องดูแลต้องรักษา พจน์ในตัวอารมณ์ทีว่าออกมาได้มันระบายระดับคนนันก็ต้องไปคอยคำว่าอ่างนี้ด้วยนี้ท่านันนี้มีใช่ใช่แต่พอเราลุกขึ้ว่าไอ้ควนี้มันมเกี่ยวมันจะเป็นยังไงใช่จัดพอาระถ้า็นหวาะดีละคุณเฉลิมองกันคือขันขันห้าเป็นภาระ พ อ, อจิตเนถ่ยภาระมากที่เราทุกวันนี้ที่โดนนะหความสุขหาให้ใตัวเนี้ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนแต่ยงหาอารมณ์นะหารูปสวยๆมาดูหาเสียงก้องๆมาฟังเพื่อให้ใตัวนี้สบายให้สบายใจแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นภาระที่สุดถ้าเราเห็นโอ้ตัวนี้เป็นภ า, ะาระเห็นทุกจริงๆ ตัวจิต น, นั่นแหละตัวทุกข์จิตใจเดิมเราคิดว่าถ้าจิตไปเกาะอารมณ์ไม่ดีเราเป็นทุกข์ถ้าเราดูไปเรื่อยๆเพมาะว่าตัวจิต น, นั่นแหละตัวทุกข์แล้วพระเจ้าถึงบอกว่าตัวรูปกับ น, นามกายกับใจนั่นแหละตัวทุกข์อรียาาสัต์สี่ที่บอกทุ ก, กนะข์ทุกนะแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรเสร็จแล้วท่านก็ขโวยท้ายว่าโดยย่ออุปาทังขันนี้ทุกข์ คือเนี้ที่เรายึดทำไมคือกายกับใจนยยี่ตัวปราทารพันคือเนี้ยคือตัวทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้ ง, แ, จงแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเสริมสงฆ์ก็รู้ต่อไปมีสติรู้ไปรู้ไปคืเรียนเข้าไปเรื่อยถ้ารู้ทุกข์แจแจ้ ง, จงสมุทยัยก็เป็นอันทุกข์ลักไปเองเพราะว่าใจเนี้ยมันรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราอีมไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปหาอะไรมาป้อนให้มันก็ได้ าการที่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือพยายามวิ่งหาอารมณ์ดีๆมาให้มัน น, นั่นเองปัญหา6ตัวปัญหาในรูปเกียงสิ่งลดคนสภมผัสธรรมารมคือวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่ดีมาเลี้ยงให้ขิดมันนี้พอเราดูงลงไปโอ้มันไม่ใช่เราอ่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้มันภาระทางใจก็จะน้อยลงน้อยลงเหลือแต่ความเคยชินเคยชินว่ายังเป็นของเราอนยะู่ ไม่ใช่ตัวเราจะไปโขเราเราอปเ็รรนั้งีเกาดขก็่ง้มันกมีแต่ความเสือและความเสือก็ไ่เป็นกาสิ้นสิ้นัาต่างๆอเชื่อก็คือูกใช้เลย่ไมคืออนสอะไรวนี่มันยังอยู่เบื้องต้นแค่เราเห็นผูกฟางเห็นผูกสามมาพิจิเพราะว่าการที่จิตยังยึดยังถืออะไรยังโาน แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นว่าคาระน้อยลงเรื่อยๆตรงที่เราหมดรู้สึกหมดคาระก็ไม่ต้องปฏิบัติต่อแต่ตนี้ยังต้องทำทำไอ ท, ทีแรกเราหัดทีแรกนี่เราจะหัดเห็นตัวสภาวะเห็นว่ามีอะไรแปลกปลอมเคลื่อนไหวภายในนี่คอเราหัดมากเข้ามากเข้ า, า, ขาต่อไปเราจะพบว่า เราจะไปเห็นพฤติกรรมของจิตตัวพื้นของจิตมันไม่ใช่แค่ว่ามันไปรู้สภาวะมันมีการส่งเข้าไปรู้ด้วยอย่างเวลาที่คุณเฉลิมพงมองเนี่ยรู้สึกมันเราส่งเข้าข้างในเราส่งในเข้าไปมองอ่ะมันะยังมีการส่งนอกส่งในเราก็รู้ทันที่พื้นของจิตพื้นของจิตก็คือการทํางานหรือการสร้างปกนี่เป็นพฤติกรรมของจิตนั่นแหละ ภาษาแขงเรียกว่าภพนั่นเองจิตยังสร้างภพยังหางานทำงานของจิตก็คือการส่งเข้าส่งในเข้าไปปฏิบัติเดิมเราต้องปล่อยให้เข้าเข้าข้าในก่อนแล้วเราไปตามรู้จำดูเราก็จะเห็นสังขารเห็นสังขารทั้งหลายเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายถ้าเราดูไปดูไปเนี่ยพราะจิตมีพฤติกรรมส่ง จะรู้พฤติกรรมพฤติกรรมนี้ขาดไปจิตไม่ส่งนอกไม่ส่งในหลวพู ด, ดสอนบอกว่าหยุดอยู่บนความไม่มีอะไร่จิตมันเป็นกลางกลางจริงๆอย่าการที่ยังส่งในไปดูยังมีการทำงานข้างในกลางตรงนี้ยังไม่กลางก็ยังมีอาการมีพลึดหลูดสอนเรียกพึดซึ่งความิต พึ่งด้กิตมันก็มีสองแบบพึ่เฉยๆกับพฤติกรรมพรึ่งเฉยๆนี่ก็แค่อย่างตามันเห็นรูปเนี่ยเราห้ามไม่ได้หูได้ยินเสียงนี่ห้ามไม่ได้ใจอยากคิดที่ห้ามไม่ได้แต่ถ้าพฤติกรรมก็คือมันมีการกระทําด้วยความอยากอย่างเราอยากปฏิบัตเิเราส่งจิตเข้าข้างไหนคุณจะลิมงรู้ทันความอยากของจิตที่จะส่งไหนพอความอย า, ากขาดไป ปัญหาทำมาปัญหาไม่มีถ้าปัญหาไม่มีทั้งหกทางนะที่ทานเันก็กลับก้นเ ร, กเราส่งนในรู้จ้าไหมแต่เดิมเราเรียนถึงตัวสังขางรมาเห็นตัวสังขารทานมาผ่านใจถ้าเรารู้พึ้นขงจิตพื้ที่จําจิตเลยจะเข้าไปจิตตัวจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตหลึกซึ้ง หัดใหม่ๆเราคิดว่าเราเห็นจิตโกรจิตโลภจิตหลงเป็นจิตควจริงนี้เป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งดูไปดูมาความปรุงแต่งของจิตยแยกออกจากกันแต่เราไม่รู้ตัวนี้เรายังคอยบิตัวนี้นี่ถ้าสังเกตตัวเนี้ยอยู่ๆหันมันจ้องไม่ได้คือผิดทันทีเลยจะพลาดพลาดอย่างร้ายแรงเลงถ้าหันมันจ้องตัวจิตเันจะลดงแค่รู้พฤติกรรม มันจะส่งในเข้าไปปฏิบัติเคลื่อนเข้าข้างในรู้การส่งการส่งขาดข้างในนี้ไม่มีความหมายนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ว่ากิเลสตัณหาซ่อนอยู่ตรงนี้ทั้งหากที่สักให้เข้าข้างในข้างในนั้นไม่ได้มีกิเลสตัณหาเลยพราะฉะนั้นเป็งแค่ฝักกดการหลอกหลอนให้รู้ทันที่ตัวพฤติกรรมของจิต เ, เคลื่อนเข้าในส่งในสรงใน ส่งนอกไม่น่ากลัวนะถ้าปฏิบัติมาถึงตรงนี้ส่งในน่ากลัวอุย้ยเราจะมาคลำอยู่หลายปีนะยปเลยหลวงปู่เคยสอนเจริญจิตให้หยุ่อยู่บนความไม่มีอะไรเลยจะทำยังไงนาะทำยังไงมันก็จ่ายเป็นเคลื่อนก็ไปทำภายในทุกทีเลยแค่รู้ทันมันนะี่กลัวนี่ทำให้เคลื่อนเข้าไปนีเป็นความอยากาตัวแป่นท่านหาะนะั่นแหละอะไรที่เป็นตันผักดันให้เกิดตันหานี่เี้ คือเรายังไม่รู้ว่า้ตัวนี้ยเป็นตัวตัวทุกข์จริงๆเราเห็นตัวนี้เป็นตัวทุกข์แล้วเปตัวจิตจริงๆเนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติรู้จริงมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกับความว่างเราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อแล้วเราจะยังรักยังสงวนห่วงแสวงตัวนี้อแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมดาอย่าใจร้อนข้ามขั้นคือตราบใจที่อาวิชายังอยู่คือยังเห็นว่าตัวเนี้ยป็นของเรายังยึดอยู่ไม่เห็นนะแต่ว่ายึดเอาไว้ว่าของเรา ก็ยังมีมีการทํางานมีแรงดักันส่งเข้าไปสรรหาคือเข้าไปทางานสิ่งสุดท้ายของการปฏิบัติที่หลวงปู่สอนไหมคือวางสว่างบริสุทธอยู่ข้างบนนะไม่แค่ข้างหนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความจีบแต่งจิตข้างในนี้แม่หยุดการแสวงหาไม่ส่งจิตเข้าไปหาซพ่อจะลุกค้นรูออกไหมเราแสวงหา สแสวงหาแล้วมันการแสวงหาอะไรเป็นกริยาอาการของจิตเป็นพฤติกรรมของจิตมันจะมีการทำงานต่อไปมันยมีภาระแต่ว่าภาระน้ห้ามไม่ได้นะแค่ตูทันเพราะว่าจิตเขาจะต้องทำงานอย่างนั้นเขายังยึดจิตเนี่ยเราเราส่งในแล้ว ต้นปฏิัติช่เวลาปกติเวลามสตันก็ต้อต้อ ง, องอะไรที่อาการที่เกิดขึ้นในในจุดนี้ยังเป็นอย่างนี้ แ, แต่แต่มีสติจริงคือไม่ทำเลยไ ม, ไ, มไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งนองไม่ส่งในนั่นและคือสิ่งที่โลวงูดเคศน์เรียกว่าใจจริงๆส่งนอกตรงใหนอยู่ยังเป็นจิต แต่คนก็ไปมองไม่เห็นนะว่าส่ ง, อสงนอนนาส่งไหนเคยรู้สักเรืองเราส่งในรึเปล่าไหมงานทั้งหลายในกะารสร้างพบทั้งหลายคนะี่จิตส่งไหนทั้งนั้นเนละยยงไปดูรูปเนี่ยไม่มีกูศลนะกุศนแต่ว่าพอดูรูปแล้วก็มาเปิดอยู่ข้างในมาตัดติดอยู่ข้างไหนว่าดีว่าชั่วว่าจบว่าปุ๊บมาทำงานด้วยการส่งข้างใน สร้างภพเราสร้างภพขึ้นภายในพบคือการกระทาขุงจิตส่งในก็มีสองอย่างคือส่งในเขไปรู้ส่งนอกยังไรู้เฉยๆส่งนอกเขาส่งในเขาไปทางานห้วยสัหา้ก็สร้างภพขึ้นมาถ้าส่งในเหมือนจะส่งนอกเนี่ยก็ตักวารูแต่ยัง้าจิตธรรมชาติจิตย่อมส่งลราไปดูหมจิต ธรรมชาติจิตย่อมส่งออกแต่ว่าจิตลารียจ้างส่งออกแล้ไม่กระเพื่อมบั่นไหวส่งไปอย่างนั้นแหละแต่ของเราส่งเขาไปทํางานจริงๆคอยรู้คอยดูแต่ไม่ห้ามนะคุณเจริญภูมิอย่าไปห้ามมันนะคอยรู้คอยดูใจให้สบายสบายทำสบาสบายนะต้องสบายเนีย่ยจริงจังขยันทำไปขยันดูแนตะ่ว่าไม่เครียดแค่เครียดมิเดียวผิดลนปะัญหาคล